ขอโมทนากับเราท่านทั้งหลายตั้งใจศึกษาพระธรรมคำสอนของพระบรมศ า, ศาสดากันช่วงนี้เป็นช่วงเที่ยงกว่านะเป็นภาคบ่ายที่เราจะศึกษาคำสอนของพุทธเจ้ากันทเนี้ในช่วงเช้าพูดถึงในเรื่องของทานกุศล ก็ทำให้คิดถึงในชั้นของคำสอนของพระบรมศาสดานะได้พูดถึงในเรื่องของการลทานว่าทำไมเราท่านทั้งหลายเกิดมาเนี่ยจึงได้อะไรไม่ค่อยเหมาะสมแก่การและเวลาแล้วทำไมพระอรหันตตาเจ้าทั้งหลายบางท่านก็ได้บรรลุเป็นคนแรกบางท่านก็ได้บรรลุคนที่สองสามสี่ห้าตามลำดับท่านได้การลทานของท่านเป็นต้นที่เหมาะสม ท่านก็เลยได้มีโอกาสในการแทงตลอดสัจจะตามความเป็นจริงที่พระบรมศาสดาได้ทรงประกาศแล้วก็ตรัสไว้ถ้าเรามองในชั้นของคำสอนเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นตรัสเกี่ยวกับเรื่องกองสร้างเหตุแล้วก็จะได้รับผลถ้าเหตุที่ประณีดผลก็จะประณีดเหตุปานกลางผลก็จะปานกลางถ้าเหตุแบบอย่างต่ำผลก็จะได้ต่ๆ แล้พระบรมศาสดาสอนให้รู้จักมองผลที่เกิดขึ้นที่สัตว์ทั้งหลายได้รับเพื่อได้เดาไปหาเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นว่ามาจากอะไรเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาในโลกใบนี้อยู่ในเขตแดนของคําสอนของพระศาสด า, สดายัางไม่สิน้นพระบรมศาสดาทรงชี้ให้เรารู้จักใช้ปัญญาจเจริญทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลเป้าหมายเพื่อต้องการพัฒนาปัญญา ให้เข้าไปรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมให้ชัดโดยเฉพาะในปัจจุบันนพบเมื่อเราเห็นสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ว่าโดยสภาวธรรมหรือว่าโดยสัตว์บุคคลก็คือว่าเราท่านทั้งหลายได้เกี่ยวข้องกันกันกบบุคคลมากมายหลายชีวิตแต่ละวันแต่ละวันนั้นเราก็จะได้เห็นทั้งมนุษย์ทั้ง บุคคลทั้งหลายเยอะแยะเบ็ดเสร็จสิ่งแวดล้อมมากมายแตกต่างกันออกไปถามว่าที่เราเห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นอะไรมันเป็นผลนะผลต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นทางทวารตาหูจมูกเล่นกายใจของเราท่านทั้งหลายสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยๆนะทุกอย่างมาจากเหตุมาจากปัจจัยเราท่านทั้งหลายเมื่อรู้ผลที่เกิดขึ้นแล้วอย่าวิปริตในผลที่เกิดขึ้น พระพุทธเจ้าสอนให้เรามองเห็นทุกขสัตว์ใช่ไคือสัจจากความจริงว่าอันนี้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้คือสภาพของรูปรขันเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณขันเรารู้ทั้งบัญญตัติสัตว์บุคคลทั้งหลายเหล่านี้ที่อุบัติเกิดขึ้นที่เราไม่กําหนดรู้ทุกขสัตว์นั้นเพราะเราทํากิจในทุกขสัตว์ไม่ถูกนะเราไม่ได้ทําปริญญาในทุกเหล่านั้น คือเราไม่ได้เข้าใจว่าเราจะสามารถที่เข้าไปรู้ว่าสิ่งที่เราได้รับทางตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยเป็นผลจากการกระทำในอดีตถ้าเราเข้าใจตรงนี้กรรมสักตาตัวสมมาทิฏฐิคือยานปัญญาที่ไปเข้าใจในเรื่องของสภาวะลักษณะคือลักษณะที่แท้จริงของสภาพผลต่างๆที่อุบัติเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากเหตุปัจจัยถ้ารู้และเข้าใจตรงนี้ก็จะได้ชัดเจนว่า สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเราท่านทั้งหลายเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากเหตุเหมือนที่บอกว่าการลทานกาละทานเนี่ยที่บุคคลให้ทานตามการตามเวลาที่เหมาะสมที่บอกว่าทายกให้ทานแกผู้มาสู่ถิ่นของตนเป็นต้น ในชั้นคำสอนถ้าเรามองในลักษณะอย่างนี้เราจะได้เห็นผลที่เกิดขึ้นต่างๆที่สัตว์ทั้งหลายได้รับเนี่ยนะบางท่านนั้นก็ไม่ต้องรอเวลาอะไรให้มากมายนะผลต่างๆก็เกิดขึ้นกับท่านอย่างรวดเร็วอันนั้นเป็นเหตุปัจจัยที่ท่านสั่งสมมาถ้าดูในอนิสงฆ์ท่านบอกว่ากรณีที่เราจะศึกษาในเรื่องของทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลเนี่ยเบื้องต้นพระบรมศาสดาท่านจะขับเน้น ขับเน้นเรื่องอานิสงส์อานิสงส์ของทานเป็นยังไงอานิสงส์ของศีลเป็นยังไงอานิสงส์ของภาวนาเป็นต้นนั้นเป็นอย่างไรโทษของการไม่ให้เป็นยังไงโทษของการไม่รักษาศีลเป็นยังไงแล้วก็โทษของการไม่เจริญภาวนาเป็นต้นนี้เป็นอย่างไรท่านก็จะมองให้เห็นอานิสงส์ของการประกอบทานศีลภาวนาโทษของการไม่เดินทานศีลภาวนาก็จะมองเห็นทั้งสองส่วนให้เห็นอานิสงส์แล้วก็เห็นโทษ ประการต่อมาเมื่อเห็นอา น, นิสงส์เห็นโทษเบ็ยดเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์ก็สอนบอกว่าวิธีคิดในทานคิดยังไงคิดในศีลคิดยังไงคิดในภาวนาอย่างไรหรือถ้าหากมองเทียบในด้านของบารมีสิบย่อลงก็คือทานศีลภาวนาเนีในบารมีสิบมีทานบารมีศีลบารมีเนคขมาเป็นต้นเหล่านี้ยถ้าย่อลงเบีดเสร็จก็คือนั่นแหละพระองค์เดินบุญกิริยาวัตถุแต่เราศึกษาในฐานะเป็นบารมีสิบของพระบรมศาสดาใช่ไหม ในทานานิสัง ส, สูตรพระบรมศาสดาบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอ น, นิสงฆ์แห่งการให้ทานมีห้าประการหประการเป็นเช่นไหนพุ่งให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจเนี่ยนะก็หมายความบอกว่าย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของคนหมู่มากเพราะว่าการให้ทานในท่านขับเน้นทั้งวัตถุทานทั้งอภัยทานและทั้งธรรมทานฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าทําไมพระบรมศามาสองพระเจ้า ทำไมท่านจึงเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเ <c oughs> พราะท่านเดินทานนบารมีทุกระดับทั้งวัตถุทางทานทั้งอภัยทานและทั้งธรรมทานได้กล่าวไปแล้วในทางด้านของวัตถุทานและวิธีการแจกแจงแยกแยะทั้งหลายอาจจะไม่ได้เรียงลำดับแล้วก็ได้กล่าวไปแล้วในด้านของอภัยทานที่พูดกันเมื่อตอนเช้าว่าอภัยทานนั้นเน่ ที่ให้แต่ละบุคคลแสดงทัศนะข้อคิดเห็นกันต่างๆแต่พอมองในด้านของอภัยท า, านของพระของพระเจ้าที่ทรงวางหลักเอาไว้กลับให้ความไม่ให้ความปลอดภยัยให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกมากมายที่พระองค์วางหลักและเคยทำบุญบารมีในข้อนี้เหล่า น, านี้เหล่านี้ไว้บางทั้งที่ให้ความป้องกันไว้ด้วย เช่รู้ว่าจะมีภัยต่างๆเกิดขึ้นแกสัตว์ทั้งหลายพระองค์ก็วางแผนในการที่จะป้องกันภัยพยันอันตรายต่างๆซึ่งเราก็จะเห็นหน่วยงานต่างๆในภาครัฐหรืภาคเอกชนทั้งหลายเนี่ยที่มีการป้องกันภัยพยันอันตรายต่างๆเหล่านี้แต่เขาจะรู้ไหมว่านั่นเป็นอภัยาทานที่กําลังป้องกันภัยให้กษัตริย์ทั้งหลายหรือโยมยิงานหามมาบอกว่าเออแม้แต่การที่เราจะดูแลบุคคลอื่นไม่ให้เจ็บป่วย ไม่เจ็บไข้แนะนําทั้งหลายเหล่านี้อันนั้นก็ยังจัดลงได้เลยใช่ไหมก็ยังจัดลงได้อันนี้เห็นไหมในชั้นของคำสอนเนี่ยมีรายละเอียดแยกแยะค่อนข้างเยอะไม่ใช่น้อยประการต่อมาก็คือว่าผู้ให้เนี่ยนะ ย, ย่อมไม่ห่างเหินจากก็หมายความบอกว่ากิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานนั้นย่อมขจรแล้วก็ฟุ้งไป ถ้ามองอย่างนี้จะเห็นอะไรจะเห็นคําสอนของพระผู้มีภาคเจ้าที่บอกว่าทําไมพระบรมศาสดามีเกติศัพท์อันงามกระจรพุ่งไปอย่างก็อย่างมากมายที่เห็นอย่างนี้ก็เพราะเพราะอะไรก็เพราะทานเป็นต้นเหล่าเนี้อย่าว่าแต่อย่าว่าแต่ทานเลยแม้แต่ศีลก็เหมือนกันใช่ไหมเกติศัพท์อันงามของพระบรมศาสดานี่กระจรไปทั่วสังเกตตัวไหมเราอ่านในพระไตรปิฎกกันเนี่ยเรา ทกแห่งแม้แต่ในชั้นของพวกเดรัทธีก็จะเย็นว่าแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลาจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้ในพระองค์เองเนี่ยแม้ในชั้นที่บุคคลที่ไม่นับถือพระเจ้าก็ได้ยินสิ่งเหล่านี้จนฟังและจําได้เช่นในบรรดาที่พวกเดรัทธีเขาคุยกันถ้าได้ทราบข่าวว่าพระเจ้าเสด็จมาในเมืองนี้ทั้งๆ้ที่เขายังไม่นับถือพระเจ้าเนี่ยเขาก็าจะคุยกันก่อ น, อนบอกว่า ตอนนี้พระบรมศาสดาได้ทราบข่าวเสด็จมาอย่างนี้แล้วเกียรติศัพท์อันงามของท่านขจรไปแบบนี้นะแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอาหารเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรินะเป็นต้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาจากันได้หมดเลยว่านี่เป็นเกียรติศัพท์อันงามเกีติศัพท์อันงามของพระาศาสดาขจรไปพระบรมีทั้งหลายมีทานบรมีเป็นต้น ตรงนี้ก็บ่งบอกให้เห็นชัดว่าในมนุษย์ในเทวดาและพรหมทั้งหลายเนี่ยกิติสัพันธ์อันงามตรงนี้ยังกระจร อ, อยู่ในใจของสัตว์ทั้งหลายอย่างหาประมาณไม่ได้นะตรงนี้ก็มองได้เห็นว่ากิติสัพันธ์อันงามเนี่ยของบุคคลที่ให้เป็นต้นเหล่านี้นะทั้งด้านของทานทั้งด้านศีลเป็นต้นแล้วก็กระจรไปทั่วผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของเครือขัดเครือขัดเนี่ยต้องให้ใช่ไหมถ้าวัตถุทานทั้งหลายเนี่ยไม่ห่างเหิน ผู้ให้ทานเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นีใช่ไหมให้ทานแล้วก็เกื้อกูลต่อศีลมีสุคติเป็นไปในโลกหน้าดูก่นพิกษุทั้งหลายอ น, นิสงการให้ทาน5ประการนี่แหลผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักเป็นอันมากชื่อว่าดำเนินตามทางของสัตบุุรสัตบุตรสำรวมอินทรีย์ประพฤติพรหมจรย่อมคบหาผู้ให้ทานทุกเมื่อสัตบุตเหล่านั้นย่อมแสดงธรรม เป็นที่บรรเทาทุกข์ทั้งปวงให้เขาให้ทราบชัดเจนแล้วย่อมเป็นผู้หาอาสวะมิได้แล้วก็ไปริษณีผานอย่างนี้เป็นต้นพอดีมันตกอเมรกาจะอย่างเดียวหัก ตรงนี้ก็คือก็คือทำให้เรามองเห็นว่าบุคคลที่จเจริญบา ร, รมีมาทั้งหลายพระพุทธเจ้าจะคบหาพระพเจ้าจะไปหาถ้าถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงไปหาพระคนทัญยักก่อน <c oughs> นี่เพราะท่านเนจเริญบา ร, รมีมาเนยท่านเดินทานกุศลสิ่งกุศลภาวนากุศลเป็นต้นมาใช่ไหม <c oughs> ใช่เนี่ยเดี๋ยวท่านเดินเดินมาอย่างนี้ เนี่ยถ้าเราได้ตั้งอัธยาศัยไว้อย่างแข็งแรงอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราไปเจอพระเจ้าองค์ต่อไปพระเจ้าก็จะไม่ทําให้เราผิดหวังเโอ้โหเห็นไมสิบแปดยอดเนี่ยเดินด้วยพระบาทเปล่าเนาะที่จะไปโปรดพระปัญญวัคนี่เห็นไมเนยแค่จะไปเพื่อให้ปัญญวัคีบรรลุเนี่ยพระองค์ลงทุนเดินนะเดินด้วยพระบาทเป่าเนีแล้วก็ไปโปรดสุโปรดไอชีวกรรมารพัฒนด้วย ทำให้ได้อัตยาสายเป็นต้นดูดสิเนี่ยอุปกาชีวอกอุปกาชีวอกเนีย่ยถ้าเรามองนี้จะเห็นเลยพระบระมา ศ, าาศาสดาก็พิจารณาว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยไปด้วยฤทธิ์แต่ท่านบอกว่าถ้าจะไปด้วยฤทธิ์บุคคลที่เสียโอกาสคืออุปกาชีวอก เมื่อไปแล้วเนี่ยได้อัธยาศัยจากการได้สนทนาได้เห็นได้เห็นพวกรกายของพระบรมศาสดาได้เห็นคุณของพระบรมศาสดาที่ออกมาจากทางพระวรกายเป็นต้นเหล่านี้ได้สนทนาเบ็ยเสร็จแล้วเนี่ยท่านจะได้อัธยาศัยและจะได้บรรลุท่านก็ไปเห็นไหมถ้าเรามองนี้ได้เห็นโอ้โหพระมหากรุณาธิคุณนี่ไหมพอพอได้ตัดสั้รู้ก็ลงทุนก็ก็เริ่มเลยเริ่มค้นสัตว์หรือสัตว์ตามที่ปฏิญญาณไว้อย่างมากมาย ที่ได้กล่าวไว้ไงบอกว่าในชั้นคำสอนบอกว่าสัตว์ได้บรรลุ84อสงไขยเลขหนึ่งตามด้วยเลขศูนย์140เนี่ย84รอบพอยดูอย่างนี้บอกออืทำไมมากขนาดนั้นใช่ไหมที่เราศึกษาเราฟังดูเอ๊ะมีก็ไม่มากเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ในชั้นคำสอนท่านขยายไว้อย่างนั้นเลยนะเราดูโอ้โห ไม่ติดร่างเหรออะนี้พวกเราเน้นด้วยใจไม่ติดร่างกายพยานเลยตรงนี้ก็ทำให้คิดตรงนี้ก็คือทำให้เราได้คิดว่าพระศาสดาจะไปหาบุคคลที่บำเพ็ญปริมีทั้งหลายเหล่านี้นี่ยในชั้นคำสอนก็พอเราดูอย่างนี้ก็จะได้เห็นเห็นมุมคำสอนได้ชัดขึ้นนะว่า ทานานิสังสสูตรก็ดีในการทานเป็นต้นเราเลยหรือในโภชนะทานเป็นต้นเนี่ยดูก่อนพิกษุทั้งหลายทายกผู้ให้โภชนะเป็นทานชื่อว่าให้ฐานะ5ประการฐานะ5ประการก็คือให้อายุให้วันณะให้ความสุขให้กําลังแล้วก็ให้ปัญญาคั้นให้อายุแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ให้วันน้าแล้วก็มีส่วนแห่งการได้วันณะทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ ให้ความสุขก็มีส่วนแห่งความสุขของทริปและส่วนสุขของมนุษย์ทั้งหลายเห็นไหมว่าเราให้อย่างไรเนี่ยผลมันจะตอบมาในลักษณะนั้นให้อายุถามว่าให้ข้าวหนึ่งมื้อเนี่ยชื่อว่าให้อายุนะเชื่อว่าให้วันณะด้วยนะชื่อว่าให้กําลังด้วยนะเชื่อว่าให้ความสุขด้วยนะแล้วถามว่าที่มีปัญญามานั่งศึกษาว่าทำได้เนี่ยเพราะอาหารนะเนพราะอาหารเป็นต้นนะเห็นไหมเนะี่ยได้ห้า ท่านถึงบอกว่าถ้าร้อยอัตราภาพเอา5้าไปคูณถ้าพันอัตราภาพก็ร้อยเอาเอาห้นี่ไปคูณท่านหนึ่งแสอัตราภาพก็เอาหไปคูณถ้าแสนโกดอัตราภาพก็เอาหไปคูณ ถ, ถ้าหาประมาณไม่ได้ก็เอา5ไปคูณ น, นั่นคือผลของฐานนั่นคือผลเป็นทั้งฐานอันนี้เรานักคิดเลขกันทั้งหลายทั้งนั้นจ่มาก็ไปคิดแต่เป้าหมายไม่ใช่อยู่ตรงที่ตรงนี้แต่ถามว่าถ้าเราเดินบนเส้นทางแบบนี้ แล้วก็ให้ทานได้ถูกต้องด้วยคำว่าถูกต้องในที่นั้นก็หมายความว่าเกี่ยวกับกรณีการให้ทานที่ถูกต้องเนี่ยในชั้นของการให้ทานที่ถูกต้องที่กล่าวไว้ในชั้นของคำสอนที่บอกว่าในทานที่กล่าวไว้ไม่ว่าจะเป็นศรัทธาทานสักกาทานอนุขต การาทานหรืออนุขเฮตาทานอนุปหาจธาทานเป็นต้นเหล่านี้ทานต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนแต่มาจากเขตปัจจัยที่ที่ถูกต้องทั้งนั้นนะนยอันนี้ก็คือมองในชั้นของคําสอนก็จะเห็นที่พระบรมศาสดาสวางหลักเกี่ยวกับชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของคําสอนเขาไว้เยอะหมดเลยทีนี้พอมองถึงในเรื่องของทา น, นากุศลเราได้เข้าใจในเรื่องของอมิสตาทานได้แก่การให้วัตถุที่ควรให้ วัตถุ10อย่างก็มีข้าวน้ําเป็นต้นได้กล่าวไปแล้วในบรรดาแต่ละอย่างก็มาแยกเป็นสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณ์เป็นการให้นีในการให้นั้นขับเนี่ที่ตัววัตถุถ้าพยทานก็คือให้เพื่อการกําจัดภยัยกําจัดภัยของสัตว์ทั้งหลายด้วยแล้วก็เป็นผู้มีส่วนในการไม่มีเวรภัยทั้งหลายเป็นต้นด้วยส่วนธรรมทานนั้นก็คือให้ข้อปฏิบัตินะก็ให้คําสอนที่ไม่วิปริต ผิดเพี้ยนไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นต้นทีนี้รายละเอียดเกี่ยวในเรื่องของอมิสถานนั้นน่อามาได้ว่าในรายละเอียดไปค่อนข้างเยอะเรื่องของอมิสถานนี่นะถามว่าทำไมที่พูดถึงในเรื่องว่าปรุงแต่งจิตประดับจิตคนที่จะปรุงแต่งจิตประดับจิตได้ก็แปลว่าสามารถคิดในด้านของวัตถุฐานได้รายละเอียดเหมือนกับพระวิษณ์ท่านคิด เพราะการคิดนั่นแหละจะเป็นปัจจัยต่อการปรุงแต่งจิตแล้วก็ประดับจิตทําให้จิตนั้นมีความแข็งแรงแล้วเข้มแข็งขึ้นเช่นถ้าบอกว่าให้น้ําเป็นทานให้ผ้าเป็นทานให้ยานะยานยานผ้านะเป็นทานให้ของหอมเป็นทานให้ดอกไม้ให้เครื่องรูปร้ายให้เสนาสนะให้ที่นอนให้ที่พักให้ประทีปให้รูปเป็นทานให้เสียงเป็นทานให้รถให้กลิ่นให้รสให้ผลิภัณฑ์ให้เพศสัจทาน ให้ความเป็นไทยเป็นทานให้ความยินดีในของเล่นทั้งหลายเหล่านี้ยให้บุตรเป็นทานให้ภริยาเป็นทานให้ทองแก้วมณีมุกดาเป็นต้นเป็นทานให้เครื่องประดับให้ครังสมบัติให้ราชสมบัติทั้งหลายเหล่านี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้คือรายละเอียดที่พระโพธิสัตว์ท่านให้ถามว่าการให้แต่ละอย่างนี้ท่านประดับความคิดของท่านปรุงแต่งจิตของท่านให้เป็นไปกับทานกุศลศีลกุศลจนถึงชั้นของภาวนาได้เลย อันนี้แปลว่าท่านแจกแจง แ, แยกแยะรายละเอียดของวัตถุทานได้เก็บรายละเอียดเยอะถ้าเราท่านทั้งหลายจะให้น้ําเป็นทานเราให้ยังไงก็ถือน้ําแก้วหนึ่งไปแล้วก็ไปถวายใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ปรุงแต่งจากการให้น้ํานั้นเป็นทานเท่าไหรนักแต่ถ้าพระพุทธศาสนาไม่เลยท่านก็แนะวิธีการว่าปรุงแต่งปจิตประดับจิตยังไงในการให้นั้นอันนี้ก็เป็นรายละเอียด ที่ท่านจะสอนให้วิธีคิดในการประดับตกแต่งจิตอันนั้นคือรายละเอียดในการขับเน้นไปตัววัตถุฐานไม่พอเป้าหมายคือว่าเหมือนเรามองวัตถุแล้วเราจะคิดยังไงนั่นเองเรามองวัตถุแล้วจะคิดยังไงเราจะคิดให้ความโลภเกิดก็ได้ใช่จะคิดให้ความโกรธเกิดขึ้นก็ได้คิดให้ความหลงเกิดขึ้นมาก็ได้แต่ท่านคิดเพื่อทำลายโลภะเป็นต้นเหล่านี้ก็เหมือนที่โยมกิ่งงานบอกว่าเอ๊ะบอกว่า ทานกุศลทำลายโลภะไอ้ไม่ใช่โลภะอย่างเดียวเนือท่านหนี่ถูกทำลายด้วยที่จริงท่านตั้งโลภะเอาไว้นั่นแหละแต่ว่าโทสะถูกทำลายจริงๆถ้าตัวตัวมัจฉาเลี้ยใช่เพื่อนผู้เมตตาเพราะถ้าเราไปดูอีกข้อข้ออะไรได้ไหที่ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้ได้เมตตาใช่ไหมให้ได้เมตนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละให้ได้เมตตาให้่ยยังไงนั่นแหละ นั่นแหละคือประดับจิตเนี่ยตอนนั้นเรื่องเรื่องประดับอธโทสาให้เด่นแล้วใช่ไหมเออเราจะเดินไปให้ด้วยเมตตา ย, ยัางไงเราจะพูดด้วยเมตตา ย, ยัางไงเป็นเรื่องการให้ <laughs> เราคิดด้วยเมตตามันไปอยู่ในข้อของ เ, ออเกี่ยวในเรื่องของศาลานิยธรรมด้วยโยมมองสองประเด็นเจ้าค่ะเริ่มตั้งแต่การให้ผู้ขัดเกลาเริ่มต้นเนี่ย การให้เนี่ยทำให้เพิ่มพูนเมตตาหลังจากแล้วและกจาจากการเป็นผู้เมตตาแล้วก็การให้นั่นก็ให้ด้วยเมตตาค่ะเป็นการขัดเกาวจิตให้อ่อนโยนคะจากการที่เป็นผู้ปรารถนาสละจะเป็นผู้ให้เนี่ยก็จะทําให้ผู้นั้นเนี่ยจิตใจของผู้นั้นเนี่ยจากการให้ครั้งแรกที่อาจจะเมตตายังไม่เกิดหรือน้อยอยู่เนี่ย จากการฝึกอันนั้นจะทําให้เป็นผู้มีความเยื่อใยปรารถนาดีต่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นก็จะทําให้การให้ครั้งหลังๆเนี่ยการให้ครั้งแรกๆก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยทําให้การให้ครั้งหลังๆประกอบด้วยความเมตตาเจ้าค่ะทำท ำ, ทำความเมตตาให้เกิดขึ้นและเมื่อเมื่อตาที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังให้การครั้งหลังๆบริบูรณ์มากขึ้นเจ้าค่ะเนี่ยตรงนี้เป็นการเพิ่มจริงๆเนี่ยเป็นการประดับจริงๆเป็นการประดับจิตและปรุงแต่งจิต ตรงนี้ถ้าเราดูอย่างนี้ว่าในชั้นของการที่ให้ในการให้คำสอนนะเออในการที่จะประดับเนี่ยเราดูอย่างนี้นะว่าย่อมให้ทานให้ข้าวน้ำเป็นต้นนะ <c oughs> พระพุทธศาสน์ท่านให้อย่างไรเราดูวิธีเดินของท่านนิดหนึ่งท่านบอกว่าเราพึงยังสมบัติเวลาให้คืออายุวันนสุขะภะ คือกำลังแล้วก็ปฏิพานคือปัญญาเนี่ยและสมบัติที่มีผลหน่ารื่นลมให้สาเร็จแกสัตว์ทั้งหลายด้วยทานนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเองเลยเห็นไหมอันนี้แปลว่าให้จริงๆเลยเนี่ยให้แบบไม่ต้องการเอามากระตนเองเนี่ยบอกเออเนี่ยคือจะให้คนอื่นอันหนึ่งให้น้าเพื่อระงับความกระหายคือกิเลสของสัตว์ทั้งหลาย เห็นไหมว่าการให้น้ำเป็นฐานให้ผ้าก็เพื่อให้ผิวพรรณงามเพื่อให้สำเร็จเครื่องประดับคือหิริและโอตปะเห็นบอกว่าเออเนี่ยเราเคยคิดมุมว่าเราจะให้ผ้าเป็นฐานเพื่อจะได้เครื่องประดับนอกจากผิวพรรณงามนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ต้องได้เป็นของภายนอกอยู่แล้วแต่เครื่องประดับที่งามที่สุดคือหิริและโอตปะเมือ่อหิริโอตปะมีแล้วจะเป็นประจัยแก่กายสะอาดวาจาสะอาดแล้วก็ใจสะอาดนี่นะ เกุศลศีลจะเดินได้ด้วยความสะอาดได้ด้วยเครื่องประดับคือหิริและโอตะปะคือความละอายต่อบาปและความเกรงกลัวต่อบาปนะเนีไปจากการให้ให้ผ้าถ้าถามบอกว่าเราเห็นคนใส่เครื่องประดับใส่ผ้าเป็นต้นเหล่านี่ยเราคิดถึงว่าเออเรามีเครื่องประดับภายในไหมหีริโอตปะปาเป็นต้นเหล่านี้เนะี่ยประการต่อมาคือให้ยานะนะรนะองเท้าและร่มเป็นต้นนะหรือว่ายอดยานทั้งหลายให้สำเร็จอิทธิวิธี คือการแสดงฤทธิ์ได้และการแสดงฤทธิ์ได้แล้วตลอดถึงเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่นิพพานาศุขเป็นต้นเหล่านี้เห็นมหมยานะเป็นต้นเหล่านี้ให้ของหอมเป็นทานก็ให้สําเร็จเลยความหอมของของศีลเราก็ไปฉีดน้ำหอมกันใหญ่เลยใช่ไหมเวลาไปฉีดน้ําหอมเป็นทานเนี่ยไม่รู้นึกถึงอะไรก็ไปรู้เขาฉีดแล้วก็ฉีดตามเขาอย่างเงี้ยแต่ที่ไหนได้ว่าเพื่อเป็นปัจจัยแก่การได้ความหอมของกุศลศีลเพราะศีลนี่ทําความหอมไม่เกิดขึ้น เห็นเช่นพระมหาศีวะเทล่าเห็นไหมตอนที่ท่านได้บรรลุปเป็นพระอรหันเนี่ยโอ้โหอมไปถึงเทวภพวถึงเทวะเท ว, เทวโลกลูกศิษย์ทั้งสามหมื่นรอจ้องลุ้นอาจารย์ตนเองเนี่ยพอบรรลุ ก, ก็รีบหอมมาแม้นเทวดาเท้าสก่ายยังพามากับภรรยาเลยมาบํารุงมาดูแลอะไรอย่างนี้ไปต้นให้ดอกไม้และเครื่องลูร้ายก็เพื่อให้สําเร็จความงามแห่งพุทธคุณใช่ไหมจะได้ความงามแห่งพุทธคุณ ให้ที่นอนหรือให้อาสนะก็เพื่อให้สําเร็จอาสะนะณโพธิปมณฑ น, นก็คือได้บรรลุนั่นเองเราให้อาสนะเป็นฐานก็เพื่อจะได้บรรลุนี่ไหมเรานั่งในะอาสนะไหนจะได้บรรลุณนะอาสนะนั้นเสทีกัเนาประการต่อมาก็คือให้ที่นอนก็เพื่อให้สําเร็จตถาคตะสยญาติคือนอนแบบพุทธเจ้าไม่ต้องลุกอีกเลย เออเวลาแล้วยอมยอ ม, มว่าเคยให้ที่นอนเป็นทานไหมยอมพิจยาเคยถวายที่นอนบ้างไหมยังไม่เคยเล่ถามว่ า, วาพระโพธิสัตว์เวลาท่านให้ที่นอนเนี่ยท่านคิดว่าจากได้ น, นอนแบบพระพุทธเจ้านอนแต่สำเร็จตถาคตตาสายญาต ใช่ไหมเพราะการนอนลักษณะอย่างนั้นคือนอนอย่างผู้ยิ่งใหญ่ไปที่ปริณิพานเนี่ยเราจะเห็นการนอนที่ยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดาซึ่งนอนแล้วไม่ลุกนอนแล้วไม่ลุกนั่นแหละเป็นการนอนที่สมบูรณ์ที่สุดเราท่านทั้งหลายนอนกันมาหลายสังสารวัฏแต่ลุกขึ้นมาเรื่อยเลยไม่ยอมนอนกันตลอดเลยเนี่ยใช่ไหมนอนแล้วก็ลุกนอนแล้วก็ลุกอยู่ คือท่านจะมนานัติการปกติท่านจะนอนแล้วท่านจะมนานัติกานด้วยจะลุกเนี่ยพระริญเจาในทุกครั้งใช่ไหมแต่ในครั้งนั้นท่านไม่ได้มนานัติการในการที่จะลุกขึ้นนะเป็นการนอนครั้งสุดท้ายเลยเป็นสถานที่ที่สงบนะเขาเรียกเป็นที่ปรินิพานเป็นเป้าหมายของสัตว์ทั้งหลายที่จะได้นอนแบบนั้นที่ไม่ต้องลุกขึ้นมาเดือดร้อนในสังสารวัตรดี มันก็เย็นนะถ้าเราคิดในลักษณะอย่างนี้นะก็เป็นสถานที่สงบและเย็นใช่ไหมใช่เมื่อเราไปณนะที่ตรงนั้นนะเป็นสถานที่ที่เราปราถนาและตั้งอัธยาศัยว่าเมื่ อ, อไรนะกระแสชีวิตของเราจะได้นอนอย่างนี้เสียทีแล้วพระบรมศ า, าสดาบอกว่าท่านหนักท่านเหนื่อยท่านหนักเหลือเกินขันธภาระเนี่ยนะท่านพูดให้เกิดสังเวะให้เกิดความอุตสาหะให้เกิดสังเวคายานะ ให้กับบริษัทของท่านบอกว่าสังสารวัตเนี่ยสังสารวัตที่เดินไปในการแบกขันธภาละนี่เป็นของหนักมากแต่ถ้าทิ้งขันธภาละได้เมื่อไรเนี่ยเป็นความเบาเป็นความปลอดโปร่งมาดูในมหาปรินิพานสูตรใช่ในชั้นที่ท่านขยายไว้าอ า, าจารย์ะรบท่านอาจารย์พูดสังเวคะเพิ่มเติมเพื่อให้มีความ เข้าใจแล้วก็มีความในสังเวคะยิ่งยิ่งขึ้นเจ้าค่ะจะได้เป็นการปรรับความเพียรเจ้าค่ะในในสังเวชเนี่ยในชั้นของคําสอนออท่านใช้คําว่าสังเวชยานนะคือยานปัญญาที่ไปพิจารณาเห็นภัยใหญ่คือชาติภัยภัยใหญ่คือการเกิดและสะดุ้งสะเทือน ชราภัยภัยใหญ่คือความแก่พยาธิภัยภัยใหญ่คือความเจ็บไข้มรณะภัยภัยใหญ่คือความตายแล้วเกี่ยวในเรื่องของภัยใหญ่อย่างหนึ่งก็คือว่าวัตฏะภัยในอดีตภัยใหญ่นั่นนะสังสารทุกข์สังสารทุกข์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมาทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมไอ้ตรงนี้ภัยใหญ่มากๆเลยถ้าเป็นอกุศลกรรมเสียถ้าเป็นกุศลกรรมที่นําไปในวัตฏะก็เป็นภัยอีกอย่างหนึ่ง ที่เป็นอัธยาศัยของเราท่านทั้งหลายไปแล้วที่กลายเป็นผู้ที่ติดวัตตะที่ยังออกจากอัธยาศัยที่สั่งสมมาแบบวัตตะคามินีกุศลกุศลที่เป็นไปในวัตตะก็ยังเป็นภัยอยู่โดยเฉพาะอกุศลกรรมทั้งหลายนะเจตนาที่เป็นไปกับกายกรรมวิญกรรมโนกรรมที่เป็นอกุศลอันนั้นก็เป็นภัยใหญ่ที่ให้ผลไปแล้วก็เป็นภัยใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมแต่ส่วนที่ยังเหลือเศษแห่งการที่ยังไม่ได้ให้ผลนี่ก็อีกเยอะเหลือเกิน อันนี้ก็เป็นภัยใหญ่และเกินที่เป็นไฟในการวิ่งมาเผาลนข้างหลังเราอยู่ของเราท่านทั้งหลายอันนี้ก็เป็นภัยใหญ่ที่เราท่านทั้งหลายเราจะสร้างเมืองเราจะสร้างที่มั่นคงอย่างไรที่จะไม่ให้ภัยใหญ่เหล่านี้ลุกลามมาถึงที่เราจะเดินไปในสังสารวัฏ ด, ด้วยการที่เราคิดอดีตมันไม่ได้เนี่ยว่าภัยใหญ่ใช่ไหมที่เราเคยทํามาแล้วนะั้นสิ่งที่ทั้งถูกต้องทั้งผิดพลาดสรุปแล้วโดวยส่วนใหญ่ก็ผิดพลาดเยอะกันมาทั้งนั้นเนี่ย นี่ทนี้คือเป็ น, ปนภัยใหญ่ส่วนภัยใหญ่อีกอย่างหนึ่งก็คือวัฏฏมูลที่จะเป็นไปในอนาคตตรงนี้ยานปัญญาทั้งหลายนะเกิดเกิดท่านบอกว่าเกิดสังเวคะเนี่ยต้องมีความเพียรด้วยนะมีปัญญาด้วยว่าเราจะเดินออกจากภัยใหญ่นี้ได้อย่างไรใช่ไหมสหัมมประธานทั้งหลายก็จะต้องมาระดมให้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงแล้วว่าเราจะทําฉันทาวิริยะจิตตปัญญาเนี่ย กระตุ้นเตือนในการเดินกุศลให้เกิดขึ้นอย่างไรให้มีกําลังอย่างต่อเนื่องให้ได้ในการที่จะเดินออกจากภัยใหญ่ในวัตมูลทั้งอดีตและอนาคตทั้งหลายเนี่ยอย่าลืมนะว่าลำดับแห่งการให้ผลบอกว่าเจตนากรรมทั้งหลายที่มาในอดีตก็ดีเจตนากรรมทั้งหลายที่จะทําในปัจจุบันนี้ก็ดีเนี่ยเขามีลำดับแห่งการให้ผลนะเขาจะมีลำดับแห่งการให้ผลสืบไปในกระแสของชีวิตที่จะเป็นไปในข้างหน้า และในปัจจุบันนพบภัยใหญ่ของเราท่านทั้งหลายก็คือภัยใหญ่ในการสแสวงหาอาหารเขเลือกแสวงหาทรัพย์ถามว่าการสแสวงหาทรัพยนะ์เนี่ยไม่ได้สแสวงหาด้วยกุศ ล, ลจิตยอย่างเดียวนะมันมีทั้งอกุศลมาแทรกเป็นระยะระยะโดยส่วนใหญ่เป็นไปกับกายทุจริตวจีทุจริ ต, ลตและมโนโทุจริตด้วยนะในการสแสวงหาทรัพย์ของเราท่านทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นภัยในการสแสวงหาอาหารสแสวงหาทรัพย์ อันนี้ก็เป็นภัยใช่ไหมและอย่างหนึ่งถ้าเรามองอีกอย่างหนึ่งเนีเราจะเห็นภัยอะไรภัยเกี่ยวในเรื่องของอันตรายทั้งหลายเนี่ยอันตรายคืออะไรอันตรายเกี่ยวในเรื่องของกรรมอันตรายเกี่ยวกัเรื่องของวิบากใช่ไหมอันตรายของกิเลสอันตรายในกรณีเหตุการที่เราจะแบกขันธภาราทั้งหลายเนี่ยเดินท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏฉะนั้นสิ่งต่างๆตรงนี้ที่พระบรมศา ส, สดาพยายามบอกเราท่านทั้งหลายว่ามันเป็นภัย ให้สังเกตในชั้นคําสอนเดี๋ยวต่อไปมาจะเดินขึ้นชั้นศีลแล้วก็จะขึ้นสวรรค์แล้วก็เนคขมมะพอจะสรุปประเด็นเนี่ยนะแล้วจะให้ทางท่านมหาณาธิบดีมาสรุปในมหาทุกขะขันธสูตรหรือจุลทุกขะขันธสูตรให้เห็นโทษของกามทั้งหลายเหล่านี้ยแต่ตอนนี้พยายามเดินให้รู้ว่าถ้าเราจเจริญทานกุศลศีลกุศลไปเนี่ยมันมีผลแต่ในขณะที่มีผลนั้นเนี่ย ถ้าไปติดหรือไปยึดติดกับมันหรือไปเกี่ยวข้องกับมันแล้วไม่ฉลาดในการที่จะเรียนรู้ตั้งท่าที่ ท, ท่าทีกับมันให้ถูกก็ไปอีกแล้วเราก็เจอโทษอีกนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจึงเป็นภัยที่ที่เราท่านทั้งหลายจะต้องวิจัยและพิจารณาว่าในกรณีการเดินไปในสังสารวัฏในชั้นคำสอนที่บอกว่าให้ปฏิบ์ก็เพื่อให้ได้ได้ปัญญาจากสุให้ที่พักก็เพื่อให ได้รับความสาเร็จก็คือสารณะที่มั่นคงให้รูปเป็นทานก็เพื่อให้สาเร็จจากการที่บอกว่าได้พระรัศมีออกจากพระวรากายให้เสียงเป็นทานก็เพื่อจะให้เสียงดุดเสียงพรมให้รสเป็นทานก็เพื่อจะได้เป็นที่รักของสัตว์โลกทั้งปวงให้โพธภัพเป็นทานก็เพื่อได้ความเป็นพุทธคุตสุมาสุกุมาราชาตคือความละเอียดอ่อนของพุทธเจ้าให้เพสัจทานก็เพื่อ ไม่แก่และก็ไม่ตายเใช่ไหมเป็นไปแก่การก็จะพ้นจากวัตจให้ความเป็นไทยแก่ธาตุทั้งหลายเป็นทานก็เพื่อปลอดปลดเปื้องความเป็นทาตจากกิเลสเราเป็นทาตของราคะโทสะโมหะมานะทิฐิมาอย่างยาวไกลใช่ไหมพระบรมศ า, าสดาก็บอก ว, ว่าให้มาเป็นทาตของพระพุทธเจ้านี่แหละเพราะการเป็นทาตของกิเลสเนี่ยเราก็ถูกกิเลสใช้อยู่ตลอดเวลาตอนนี้เราก็เลยมา สมาทานในการขอเป็นทาตของพระบรมศาสดาถามว่าเป็นทาตของพระบรมศาสดาชีวิตเราเป็นอิสระอย่างไรเป็นอิสระก็หมายความบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นสอนให้เราออกจากความเป็นทาตของกิเลสแล้วก็เดินตามคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ความยินดีในของเล่นที่ไม่มีโทษเป็นทานก็เพื่อความยินดีในพระศัทธรรมของเล่นที่ไม่มีโทษ เอาอะไรดีอของเล่นที่ไม่มีโทษเนี่ยของเล่นที่ไม่มีโทษมีอะไรดีไม่ยอมวอรวัตใครคิดได้ไหมของเล่นที่ไม่มีโทษนี่คืออะไรฮะอะไรเนี่ยของเล่นที่ไม่มีโทษของเล่นที่ให้ปัญญามีไหมมีไหมที่จะให้ปัญญาทั้งหลายอะไรเนี้ยนะ มีนะมีเยอะแยะถ้าไปแจกแจงก็เยอะเลยของให้ของเล่นทั้งหลายแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งของต่างๆเหล่านั้นเพื่อจะพัฒนาปัญญาพัฒนาความรู้ความเข้าใจก็มีเยอะยินดีในพระสัท ธ, ธรรมให้บุตรเป็นทานเพื่อให้สัตว์ทั้งหมดนั้นออกจากความเป็นบุตรของตนในชาติเป็นอริยะตอนนี้ตอนนี้เราเป็นบุตรของพระเจ้าอยู่ ในฐานะพระพุทธเจ้าผูกเราไว้ในฐานะเป็นบุตรแต่เรายังไม่เป็นบุตรในฐานะเป็นอริยะนะนะพระพุทธเจ้าสละบุตรให้เป็นฐานมาเยอะได้อย่างนะถ้าเรามองอย่างนี้น่าคิดอยู่อย่างว่าพระพุทธเจ้าผูกสัตว์ทั้งหลายไว้ในฐานะเป็นบุตรของท่านฉะนั้นท่านบอกว่าเราจะไปโกรธบุตรของตอนเองนั้นจึงไม่ใช่ฐานะที่ควรจะไปโกรธใช่ไหมท่านจึงไม่รังเกียจเลยแม้บุตรของตอนเองจะ ก, กระทำประทุษลายตนเองอย่างไร ท่านเห็นบุคคลทุกคนเป็นบุตรของท่านในขณะที่ท่านสร้างบา ร, รมีแต่เราในฐานะที่นับถือคําสอนของพระเจ้าเราไม่ค่อยเห็นคนอื่นโดยฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าเนาะไม่ค่อยเห็นอย่างนี้เราเคยคิดไหมว่าลูกพ่อเดียวกันไม่ค่อยคิดข้อนี้เลยนะบางทีเราก็โกรธกันลงเนี่ยนะเนี่ยประหลาดดียววัดเห็นเห็นใครแต่ละคนพบว่าอ้อเราลูกพ่อเดียวกันได้ไหม ใครคิดอย่างงี้ไหมยะมีใครคิดอย่างนั้นจริงๆไหมว่าทุกคนนี่เป็นพระเจ้าผูกท่านเหล่านั้นไว้ในฐานะเป็นบุตรฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะโกรธบุตรของพระเจ้าอย่างเงี้ยเคยคิดอย่างงี้ไหมไม่ใช่ทุกคนเลย พระพุทธเจ้าจะผูกสัตว์ทั้งหลายไว้ในฐานะเป็นบุตรของท่านเพราะท่านจะไม่เพราะท่านบำเพ็ญบรารมีเพื่อคนสัตว์หรือสัตว์ใช่ไหมท่านไม่ได้จำกัดนี้ว่านี่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่จะเป็นสัตว์นรกนี่จะเป็นเปรตเป็นอสุรกายเพราะท่านเห็นอบายาสัตว์ทั้งหลายที่เดือดร้อนกันเนี่ยท่านก็บำเพ็ญบรารมีเนีว่าเนี่ยสัตว์เหล่านี้เดือดร้อนยกพลผิดเคลื่อนพลผิดมีมีช้าทิถีนําอยู่ฉะนั้น ยกเว้นเราเสร็จแล้วไม่มีใครให้สัตว์เหล่านี้เข้าสู่ทางที่ถูกต้องได้ท่านก็บริเริ่มเดินเครื่องในการบําเพ็ญบารมีเพื่อจะทําให้สัตว์เหล่านั้นออกจากวัฏจุกออกจากภัยให้ได้คือคนเราถ้าเรามองอย่างนี้ถ้าเรายือนอยู่บนที่ ท, ที่ที่ฐานที่มั่นคงแล้วมองเห็นวงจรหมดเนี่ยนะสามารถระลึกเห็นวงจรว่าท่านพวกนี้อา้าเดี๋ยวไปตายแล้วเดี๋ยวไปตกนรกแล้วเดี๋ยวไปเป็นสัตว์นรกเดี๋ยวไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวไปเกิดเป็นเป็ดเป็นสุรกายเดี๋ยวเป็นมนุษย์เดี๋ยวเป็นเทวดาก็ขึ้นลงขึ้นลง แล้วหาทางออกไม่ได้มันเดือดร้อนพุกพานกันอยู่เคลื่อนพลผิดใช่ไหมเคลื่อนพลผิดยกพลผิดกันอยู่อย่างเงี้ยนะมีพัดมิจฉาที่ถีครอบงามอยู่ก็เดินทางผิด